เรื่องที่15มรสุมปากสิ่งที่น่ารำคาญที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือคำพูดของคนที่เมาน้ำลายตัวเองชอบคุยเกียียวเอาเรื่องกวนใจเราขึ้นมาเป็นอาหารปากจะเป็นการต่อว่าต่อขานเราก็ตามกัดขานเอาชนะเราก็ตามทำเป็นอดรู้ดีโวหารน้ําท่วมทุ่งก็ตามรวมความว่าทำให้รู้สึกเหม็นขี้ฟันก็แล้วกัน หรือไม่อีกทีมีบางคนที่เอาความผิดพลาดของเราเองขึ้นมาสาวเล่นเพื่อความสนุกของเขาทำอย่างไรจึงจะให้เขาหู ป, ปากเสียได้วิธีทำง่ายๆก็คือนิ่งเสียหมายความว่าเราเองนิ่งเสียอย่าพูดอย่าแก้ตัวอย่าชี้แจงความจริงเพราะถ้าเราพูดออกไปลมปากของเราก็จะเหมือนลมที่เราพัดเข้าในเตาไฟ ยิ่งทำให้คนปากมากมีลมที่จะพ่นออกมากขึ้นแต่ถ้านิ่งเสียสักครู่หนึ่งเขาก็จะหุบ ป, ปากเขาเองทั้งนี้รวมถึงการสารวมกิริยาอาการของเราด้วยคืออยากแสดงความโกรธหรือความไม่พอใจกับเรื่องที่เขาพูดนั้นเป็นอันขาดให้เขารู้สึกว่าเขาได้พูดกับตอไม้ตอหนึ่งเท่านั้นแต่ถ้าเรื่องที่เขาพูดนั้น อาจก่อความเสื่อมเสียแก่เราได้เพราะเขาเข้าใจผิดอย่างนั้นจริงๆว่าหลังจึงบอกแกเขาว่าเราเสียใจที่เขาพูดเช่นนั้นในการชี้แจงขอร้องดังกล่าวนี้ก็ควรใช้คำพูดสั้นที่สุดจำกัดที่สุดอย่าเผลอไปปล่อยให้คาพูดของเราตกไปเป็นอาหารปากของเขาได้ในการถกเถียงกันเป็นการเป็นงานก็เหมือนกันถ้าคูสนทนาของเราฟุ้งซ่านมาก ชัจกจะขึ้นเสียงเอาชนะเราทางดีที่สุดเราควรนิ่งเสียในบทความเรื่องวิธีชนะคนปากมากผมได้เล่านิทานขำๆไว้เรื่องหนึ่งใจความว่าผัวเมียคู่หนึ่งเป็นปากเสียงกันทุกวันพอผัวกลับจากทํางานตอนเย็นเป็นต้องมีเรื่องทะเลาะกันจนกระทั่งบางวันสําหรับกับข้าวเป็นไม่ก็มีจนกระทั่งอยู่มานาน ยายเมียได้รับคำแนะนำให้อมน้ำมนตคือพอเห็นผัวบ่ายหน้าจะเข้าบ้านให้รีบกรอกน้ำมนเข้าปากให้เต็มแล้วอมไวทิ้งระยะนานพอสมควรแล้วค่อยบ้วนทิ้งและทุกครั้งที่รู้สึกว่าจะเริ่มมีการโต้วาทะก็ให้อมน้ำมนไว้เสียแกทําดูแล้วก็ให้ผลจริงในบ้านไม่มีการเป็นปากเป็นเสียงกัน แล้วถ้าผัวจะเริ่มเออาหารเรื่องเพียงแต่แกขว้าน้ำมนเอามาอมเสียพักหนึ่งตาผัวก็นิ่งเหมือนถูกใส่กุญแจปากท่านทราบแล้วใช่ไหมว่าน้ำมนตขลังเพราะเหตุใดก็จะอะไรเสียอีกล่าวตัวยายเมียนั่นเองแหละแกปากไม่ว่างติดอ ม, มน้ำมนตเสียนี่ก็เลยต้องนิ่งพอคนหนึ่งนิ่งอีกคนหนึ่งก็นิ่งใครจะไปนั่งบ่นให้หัวต่อฟังอยู่ได้ ไม่ใช่คนเสียสตินี่การนิ่งอย่างนี้เรียกว่าโมนะปฏิปทาเป็นทางลัดไปสู่ความสงบถ้าหากห้ามปากตัวเองไม่ได้ก็ลองอมน้ำมนต์ดูบ้างสิครับถ้าน้ำมนต์หายากใช้น้ำในตุ่มก็ได้ข้อสำคัญอย่าไปอมน้ำพันอย่างว่าก็แล้วกัน